คนเดียวส บ, สบายเลนะยพี่สาวก็เสียไปแล้วเหรอแต่คนโตก็ตจะไม่ค่อยดีแล้วค่ะมันเป็นไปด้วยกันทุกคนเละ <laughs> เดี๋ยวเราก็ถึงคิวเราแล้วนับถอยหลังได้แล้ววันหนึ่งผ่านไปก็บอกว่าชีวิตเราก็พดเข้าไปเรื่อย ไ ม, ไม่ไม่น่ากลัวหรอกเราไปกลัวมันเองมันไม่ได้เป็นตัวเราเราไปคิดว่าเป็นตัวเรามันก็เลยกลัว อ, อ, อ, อ่ตอ น, นี้แม่ ก, ก็ไปสบายแล้วนะไปเปลี่ยนร่างกายใหม่เหมือนเปลี่ยนรถใหม่รถเก่ามันเสียก็เอาไปเทรดอินเอารถเก่าไปไปแลกรถใหม่ ถ้ามีเงินมากก็ได้รถ ด, ดีกว่าเก่าถ้ามีเงินน้อยก็ได้รถไม่ดีพยายามหาเงินกันไว้เงินที่จะไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่ก็คือบุญพยายามทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาแล้วจะได้ร่างกายใหม่ที่ดีกว่าเก่าถ้าทำบาปไม่ทำบุญก็จะได้ร่างกายที่ไม่ดี ได้4เท้าแทนที่จะได้2เท้าได้ปีกบินก็ดีเหมือนกันนะได้บินนะเอาไหมนี่คุณสมชัยดีครับนี่ดิพาพี่มาพี่ก็ไม่เต็มมาพี่ร่วมงานกันหรือว่าเคยร่วมงานกันบ้างตอนนี้ก็เกษียณกันหมดแล้วนะตอนนี้ก็ยัอยู่ทำอยู่ ที่เัาเกตรไหมที่แล้วมาไม่ได้มากราบธรรมะของพระอาจารย์ที่้ามช่วยช่วยเยอะทํานก็ได้ฟังทุกวันถ้าพอมันออกออกสรบเออมันก็ได้มาที่นี่เลยอ่านกันตรงที่ไม่ได้คุยกันแต่ก็ยังส่งข้อความก็มาได้อยากจะถามอะไรก็ส่งข้อความก็มาได้ ก็มีธรรมะมีบุญมีกุศลนี้ก็จะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความน่มเย็นเป็นสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคตยพยายามทำไปพยายามยังต่ำก็รักษาศีหน้าให้ได้อย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคิดว่าทำอะไรกับใครไว้ก็ต้อง ถูกเขากลับมาทำเราใหม่ไปฆ่าเขาก็ต้องถูกเขามาฆ่าเขาก็จะมาฆ่าเราอาจจะไม่ใช่ชาตินี้อาจจะเป็นชาติหน้าชาติต่ อ, ต, อต่อไปไปฆ่าสัตว์อะไรก็ไปเกิดเป็นสัตว์อย่างนั้นให้เขาฆ่าในสีและคาพูดนะครับรักษาไม่ค่อยได้พวกพวกูดเทอเจอร์พูดเสียด พวงนี้อหะฮะก็ยังอันนี้เป็นส่วนละเอียดเอาแค่คาคำคพูดปดก็แล้วกันอย่าพูดปดพูดปดนี่มันเป็นสิ่งที่มีโทษหนักกว่าพูดเพ r อเจพูดคำหยาพูดส่อเสียนเอาที่ในสี่ห้าก็ไม่ได้มีข้อห้ามพูดคำหยาพูดเพ r อเจ้ อันนี้เขาอยู่ในกุกศลธรรมข้อสัมมาวาจาใช่ไหมครับด้วยการเคยบอกเป็นมักอยู่ในข้อหมาย ม, มันอยู่ในข้อละเอียดถ้าเป็นพระนี่เป็นผู้ที่นักบวชมักจะจะถือข้อเหล่านี้แต่เป็นผู้ครองเรือนี่มันยังเป็นสิ่งที่มันเด็กเรียกไม่ได้ท่านก็จะถือแค่ มุสาว า, วาดาก็คือแม่พูดจริงแต่คำหยาบนี่มันเป็นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคารวะผู้คลองเรือนที่มันมันเป็นสังคมของคารวะที่พูดกันแต่สังคมของพระนี่ท่านจะไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดยุยง ให้เกิดความแตกแยกสามคัคคีสินห้าสินแปดก็เพียงแต่มีแต่คำว่ามูสานะส่วนใน้คำพูดสอเสียดพูดเพื่อจอพูดคำหยาบนี้มันอยู่ในอกุศล ร, รัทกรรมก็แต่ถ้าจะรักษาได้ก็ดีก็จะทำให้เราเป็นพระโดยที่ไม่ต้องห่มผ้าเหลืองาว่าพระก็เป็นผู้ประเสริฐ ที่ใครเขา พ, พ, พบเห็นก็จะมีความเคารพนับถือเพราะว่าจะสุภาพไม่พูดคำหยาบแล้วก็พูดแต่เรื่องที่มีสาระคุณมีประโยชน์อย่างพระนี่ก็มักจะพูดว่าเวลาพระเจอกันก็จะสนทนาธรรมกันจะไม่ได้สนทนาแบบ คารวาเรื่องนินทาการเลการบ้านการเมืองแจะพูดเรื่องที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ก็พยายามรักษาไปความจริงศีลนี่รักษาศีล ง, ง่ายกว่าการไม่ทำแก่ ก, การไม่รักษาศีลนะเชื่อการฆ่าสัตว์กับการไม่ฆ่านี้อันไหนง่ายกว่ากัน เราจะฆ่าสัตว์นี่ก็ต้องไปหาหมีดหาปืนแล้วก็ต้องไปหาสัตว์ที่เราต้องการจะฆ่าแต่เรานั่งอยู่เฉยๆตรงนี้เราก็เราก็มีศีลแล้วการรักษาศีลมันน่าจะง่ายกว่าการไม่รักษาศีนการรักษาศีนก็คือให้เราอยู่เฉยๆทางกายทางวาจา ไม่ค่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่เอาทรัพย์ของผู้อื่นไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่เดิมสุรายามเมา <c oughs> แล้วก็ไม่พูดปดเนีย่ยตอนนี้เรามีศีลห้าข้อแล้วตอนนี้จะรักษาได้ตลอดหรือเปล่าท่นี้เรามักจะผิดศีลตอนที่เกิดความโลภหรือเกิดความโกรธขึ้นมาหรือเกิดความหลงขึ้นมา เราโลบอยากได้อะไรเห็นของเขาอยากได้เราไม่มีปัญญาที่จะไปซื้อมาก็ไปขโมยของค น, คนอื่นมาถ้าไม่มีความโลภมันก็ไม่ต้องไปขโมยของใครยังถ้าอยากจะรักษาศีลที่แท้จริงต้องรักษาที่ใจรักษาข้อเดียวรักษาใจรักษาใจไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลง แล้วก็จะไม่ต้องไปรักษาศีลอะไรเลยศีลมันจะมีอยู่ที่ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยถ้าใจไม่มีความโลภโกรธหลงแล้วก็จะไม่ทำบาปงั้นตัวที่ทำผิดศีลทำบาปก็คือใจเหตุที่ทำให้ใจทำผิดศีลก็คือความโลภความโกรธความหลงถ้า ทำลายความโลภความโกรธความหลงได้ก็จะไม่มีการไปทำบาป ก, การจะทําลายความโลภความโกรธความหลงได้ก็ต้องใช้การปฏิบัติธรรมเรียกว่าสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาการภาวนานี้จะทําให้เราหยุดความโลภความโกรธความหลงได้ สิ่งที่จะหยุดความโกความโกรธความหลงได้ก็คือสติปัญญาสติถ้ามีสติเราก็สามารถทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้เวลาใจสงบเป็นสมาธิก็จะนิ่งเฉยเฉยไม่คิดไม่ปรุงแต่งเวลาไม่คิดไม่ปรุงแต่งมันก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลง อันนี้เป็นการหยุดความโลภโกรธหลงไว้ชั่วคราวด้วยการนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกเพื่อไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องต่างๆพอจิตหยุดคิดจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบแล้วก็ความโลภความโกรธความหลงก็จะหายไป แต่มันหายไปชั่วคราวพอจิตออกจากสมาธิาเอามาคิดปรุงแต่งคิดถึงเรื่องต่างๆความโลภความโกรธความหลงก็กลับมาคิดถึงคนที่ทำให้เราเสียหายเดือดร้อนเราก็จะโกรธขึ้นมาคิดถึงสิ่งที่เราอยากได้ก็เกิดความโลภขึ้นมา ความโลกก็เกิดจากความหลงหลงคิดว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้เป็นสุขแต่ความจริงสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่าได้มาแล้วเดี๋ยวมันหมดไปมันจากเราไปเราก็จะเสียใจทุกข์ใจ ทุกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นของเราชั่วคราวสักวันหนึ่งมันก็ต้องจากกันไปเช่นร่างกายของเรานี้ก็ไม่ได้เป็นของเราตลอดเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปนี่คือสิ่งความหลงทำให้เราไปหลงรักหลงชอบหลงติดหลงอยากได้สิ่งต่างๆ ได้มาแล้วก็มากังวลใจว่ามันจะอยู่กับเราไปได้สักเท่าไหร่เวลาได้มาก็ดีใจพอได้มาแล้วก็ต้องมาห่วงมาห่วงห่วงว่ามันจะไม่อยู่กับเราหวงไม่อยากให้ใครเอาไปก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าอยากจะแก้ความโรคกรดหลงต้องแก้ที่ความหลงแก้ด้วยปัญญาปัญญาก็คือความรู้จริงเห็นจริงรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราถ้าเราเห็นว่าทุกสิ่งที่เราอยากได้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันได้มาแล้วเดี๋ยวมันจะต้องจากเราไปมันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริง ด้ออยเอาีกอามาแล้วเดี๋ยวเวลาจา ก, กัก็เสียอกเสียใจร้องหผร้องไห้นี่คือปัญญาต้องพยายามสอนใจให้เห็นความทุกข์ในทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาสิ่งใดมีการเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา ให้เห็นอย่างนี้พออยากจะได้เงินก็บอกว่าอย่าเอาเลยเอามาเดี๋ยวมันก็หมดหมดแล้วก็เดือดร้อนอยู่แบบไม่ต้องใช้เงินดีกว่าหรือถ้าใช้ก็ใช้เท่าที่จําเป็นอย่าใช่มากใช่มากก็ต้องหามากหามากก็หายากหาน้อยมันหาง่ายกว่าหาพออยู่ได้ก็พอ พอมีปัจจัยสี่เรียงร่างกายได้ก็พอจะได้ไม่ไม่เหนื่อยไม่ทุกข์กับการหาเงินหาทองหามาแล้วเดี๋ยวก็ใช้ไปมันก็หมดหมดก็ต้องหาอีกถ้าหาไม่ได้ก็เดือดร้อนเพราะมันติดนิสัยชอบใช้เงินถ้าเราใช้เงินน้อ ย, อยเราก็ไม่ต้องหามาก แล้วกไ็ไม่เหนื่อยยากเหมือนกับหามากๆและการหามากๆ ก, ก็มักจะทำให้เราไปทำบาปไปโกหกหลอกลวงไปโกหรือไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่คือสิ่งที่เราควรจะฝึกสอนใจเราอยู่เรื่อยๆคือปัญญา พยายามมองให้เห็นว่าลาบยศสลรเสรญสุขทางตาหูจมูกวิ่งกายนี่เป็นทุกข์ทุกเพราะว่ามันมีเสื่อมได้มีหมดได้เวลาคนได้เงินได้ทองมาร่ลำรวยขึ้นมาก็ดีออกดีใจกันพอล่มละลายสิ้นเนื้อประดาตัวก็กระโดดตึกตายกันฆ่าตัวตายกัน นี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามคิดอยู่เรื่อยๆว่าของต่างๆในโลกนี้เช่นลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกเงื้องายคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพานี้มันมามามันขึ้นขึ้ น, นลงลงมันมีมามีไปบางทีอยากจะให้มันมามันไม่มาอยากให้ให้เงินมาไม่มาเวลาเงินไม่พอใช้นี่มันเดือดร้อนนะ แทนที่จะลดการแช้เงินให้น้อยลงกับพยายามจะหาเงินมาใช้ตามความอยากเพราะเวลาลดมันทรมานใจสู้ไปทุกกับการหาเงินมาใช้ดีกว่าทุกกับการไม่มีเงินใช้ก็เลยยอมไปทําบาปกันเพราะไม่เชื่อว่าทําบาปแล้วมีผลตามมาหรือไม่รู้ว่ามีผลตามมา คิดว่าตายแล้วก็ศูนย์เพราะว่าเห็นเห็นร่างกายเพียงส่วนเดียวไม่เห็นอีกส่วนหนึ่งคือใจผู้ที่ไม่ตายไปกับร่างกายผู้ที่ไปรับผลของบาปที่ทำไว้นี่คือความหลงต่างๆที่พวกเราต้องใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้ามาแก้ตอนนี้พวกเรามองว่า ของต่างๆในโลกนี้มันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความสุขปลอมความสุขหลอกหลอกให้เราไปเจอความทุกข์เพราะว่าความสุขที่เราได้จากาลาบยศสารเสริญได้จากสิ่งต่างๆนี้เวลามันต้องจากกันนี่มันทุกข์มากต้องคอยคิดอยู่เรื่อยๆ คิดว่าเราต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปทิ้งสมบัติเข้าของเงินทองทิ้งบุคคลทิ้งร่างกายของเราไปให้คิดอย่างนี้เรื่อยๆแล้วมันจะล ด, ดความโลภลงไปแล้วมันก็จะทำให้ทุกน้อยลงไปเพราะมีของที่จะต้องทุกข์ด้วยน้อยลงไปเช่นตอนนี้ถ้ายังไม่มีแฟนก็อย่าไปมีแฟน ก็ลดความทุกข์ไปได้เยอะแล้วถ้ามีแฟนก็ต้องทุกกับแฟนแล้วถ้ามีครอบครัวมีลูกก็ต้องไปทุกกับลูกแล้วเดี๋ยวก็ไปทุกกับห้านต่อทุกกับเลนต่อมันยาวเหยียดเลยพอไปมีครอบครัวแล้วมันต่อกันยาวไปเลยถ้าเราไม่มีครอบครัวอยู่คนเดียวถือศีลแปดดีกว่ามาทำใจให้สงบ ฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบมันก็จะไม่มีความอยากจะมีแฟนเพราะเวลาสงบนี้มันมีความสุขในตัวเป็นความสุขที่ดีกว่าการมีความสุขจากการมีแฟนเพราะความสุขจากการมีแฟนนี้มันมีความทุกข์ผสมมาด้วยเวลามีแฟนแล้วทุกขหมทุกกว่าแฟนไนหะห่วงแฟนหห่วงไหม นะมันมีทุกผสมมาด้วยสู้อย่ามีดีกว่ามาหาแฟนคนใหม่แฟนที่ดีของเราก็คือความสงบทาใจให้สงบแล้วไม่ต้องมีแฟ น, นไอ้แม่พระนี่เขาไม่ต้องมีแฟนกันนะเพราะเขามีความสงบเขามีความสุขใจมาหาความสุขใจนี่คือความสุขแท้ ถ้าเรามีความสุขใจแล้วเราก็จะเลิกเราก็จะหายหลงเราก็จะเลิกความโลภได้ถ้าเราสอนใจว่าสิ่งที่เราโลภนี้เป็นทุกข์ถ้าเรารู้ว่าเครื่องดื่มที่เราจะดื่มนี้ดื่มไปแล้วจะทำให้เป็นมะเร็งนี่เราจะกล้าดื่มไหมแบบเดียวกันถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราได้มาจะต้องทาให้เราทุกข์เราเราจะเอาไหมไม่เอาแต่ไม่ไมรู้มันถูก ความหลงหลอกให้บอกมีแต่ความสุขได้แฟนมาแล้ ว, ลวโอ้สบายมีความสุขไม่เหงาไม่ว้าเว่ตอนใหม่ๆมันก็สุขจริงๆอะ<ม>่ะก็ไปไหนเป็นเหมือนเป็นตาท่องโก้เลยพราเวลาอยู่ด้วยกันรู้สึกมีความสุขมากแต่พออยู่ไปเรื่อยๆสักมันเกิดความจำเจแล้วมันเริ่มเบื่อแล้ว พอเบื่อแล้วทีนี้มันก็ไม่อยากจะอยู่ใกล้กันแล้วเนี่ยความสุขก็หายไปแล้วพอความเบื่อเข้ามาความจำเจเข้ามาเดี๋ยวก็หลอกให้ไปหาคนใหม่แล้วเนี่ยคนเก่าเบื่อแล้วต้องหาคนใหม่มาทดแทนก็เดี๋ยวก็เกิดปัญหาทำบาปขึ้นมาไปประพฤติผิดประเวณีนี่คือทางของการไปตามความโลภ มันจะไม่มีความให้ความสุขที่แท้จริงที่ทำให้เราพอใจไปตลอดพอตายไปพอใจไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีอะไรมาเปลี่ยนและมันจําเจแล้วได้เงินมาล้า น, นึ่งใหม่ๆก็ดีใจพออยู่กับมันสักพักหนึ่งชักจะเบื่อแล้วอยากจะได้เป็นสิบล้านอยากจะได้เป็นร้อยล้านพอเห็นของที่จะซื้อ มันมีราคามากขึ้นไปเรื่อยๆอยากจะซื้อของที่แพงขึ้นไปเรื่อยๆตอนซื้อรถคันละ้านก็ดีใจนะต่อไปต้องสงล้านสามล้านขึ้นไปถึงจะดีใจแล้วต่อไปก็ห้าล้านสิบล้านบางคนขับคันละห้าสิบล้านก็มีมันก็ลดสี่ล้อเหมือนกันเนี่ยนะไปไหนมาไหนได้เหมือนกันทำไมต้องเสียเงินเยอะแยะ เพื่อจะให้ความสุขกับเ็คนที่เขามีเงินซื้อนะแต่มันก็เป็นความสุขปลอมนะั่นแหละเดี๋ยวพอเบื่อแล้วก็ต้องไปซื้ออย่างอางื่นนะต้องซื้อเครื่องบินขับนะนี่ต้องเอาลำละห้าร้ล้านนะมันไปไม่มีวันสิ้นสุดหรอกถ้าไปตามความโลกความอยากพอมันจะสุขเดียวเดียว พอมันชินมันจําเจแล้วมันก็อยากจะเปลี่ยนรูปแบบของความสุขใหม่นี่คือสิ่งที่เราต้องใช้ปัญญาสอนอยู่ว่ามันไม่ได้นําไปสู่ความสงบไปสู่ความสุขแต่พาไปสู่ความวุ่นวายได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พออยากจะได้มากๆขึ้นไปเรื่อยๆ เรามีปัญญารับรองได้ว่าเราจะอยู่อย่างมักน้อยสันโดษได้มักน้อยก็คือเอาเท่าที่จําเป็นเอาน้อยๆเช่ น, นเสื้อผ้าเอาสักสามชุดก็พอชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักชุดหนึ่งไว้สํารองแปบลบว่าไหนฝนตกซักแล้วมันไม่แห้งสามชุดนี้ก็พอแล้วเ ล, เ, ลเลือกชุดที่ใส่ไปได้ทุกงานเลยชุดสีขาวนี่หรือชุดสีเหลืองนี่ไปได้ทุกงาน งานไหนก็ไปได้เอาชุดขาวตั้งสามชุดนี้พอนะไปไหนก็ไปได้หมดนะงานศพงานแต่งงานไปได้หมดทนะายใครก็ถามแล้วก็บอกว่าเรารักษาศีลแปดนี่าถานั่นเองใช่ไหมไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้ารักษาศีลแปดมันก็ไม่อยากจะเข้าสังคมอยน่แะ้ก็จะไปวัดจะส่วนใหญ่ ไปที่ที่คนถือศีลเขาไปกันถ้าจะไปเที่ยวก็ไปอินเดียน่นไปกราบพระพุทธเจ้าก็ได้ไปสังเวชนีสถานไปกราบเจดีย์ต่างๆ้นจะมีความสุขไม่วุ่นวายเนี่ยมีเสื้อผ้ า, ยายเยอะแยะแต่ละวันเวลาจะแต่งตัวทีนี้ต้องนึกวันนี้จะแต่งชุดไหนดีจะไปที่ไหน ต้องใส่แบบไหนเดี๋ยวแต่งผิดเดี๋ยวต้องกลับมาเปลี่ยนชุดอีกลืมไปว่าวันนี้ต้องไปงานศพก็เลยไม่ได้แต่งชุดดำเดี๋ยวพอถึงเวลาต้องไปเอา้าต้องกลับมาเปลี่ยนอีกนะถ้าเราไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นความสุขเราก็จะได้ไม่ต้องไปหามันไม่ต้องไปวุ่นวาย เมื่วานนี้ที่เราวุ่นวายกันก็เพราะเราคิดว่าราบยศเสริญรูปเสียงกลิ่นรสเป็นความสุขกันเราไปทํางานทําการงานเพื่อหาอะไรหาเงินหาราบได้ราบมาก็จะได้ไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้อยากจะดูอะไรก็ดูได้อยากจะฟังอะไรก็ฟังได้อยากจะดื่มอยากจะรับประทานอะไรก็ดื่มรับประทานได้พอดื่มเสร็จรับประทานเสร็จมันก็หายไปแล้ว ความสุขที่ได้จากการดื่มจากการดูการฟังแล้วความผิวอันใหม่ก็เกิดขึ้นอยากจะดูอย่างนั้นอยากจะฟังอย่างนี้ต่อมันก็หมุนไปเรื่อยๆดันเราไปเรื่อยๆให้เราใช้เงินไปเรื่อยๆพอเราใช้เงินเราก็ต้องไปหาเงินกันไปทำงานดีไหมละ่ะเหนื่อยไหม่าจะได้เงินได้ทองมากว่าจะได้ซื้ออะไรสักอย่าง แปบเดียวเงินเงินเดือนออกมาไม่กี่วันหมดแล้วทำงานสามสิวันนี่ใช้เงินเดือนในวันใช้วันเดียวก็หมดเราต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความสงบเรามาฝึกนั่งสมาธิกันดีกว่าทำใจให้สงบเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปหาเงินหาทองหายศธาตำแหน่งหาสารเสริญ ตอนต้นก็อยากจะได้เงินก่อนพอได้เงินแล้วก็อยากจะได้เกียรติยศอยากเป็นคุณหญิงคุณนายอยากจะไดะ้เครื่องราชอิสริยภรชั้นนั้นชั้นนี้อยากจะได้ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้อยากจะเป็นสอส อ, อยากจะเป็นรัฐมนตรีอยากจะเป็นนายกเพื่อจะได้มีอำนาจวาสนาจะได้เงินมากๆเพิ่มขึ้นมาอีก มันก็วนกันอยู่อย่างงี้แล้วก็พาให้ต้องไปทำบาปทำผิดกฎหมายเวลาเลือกตั้งก็ซื้อเสียงกันทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นคนออกกฎหมายมาเองว่าห้ามซื้อเสียงพอถึงเวลาเลือกตั้งก็ซื้อเสียงกันเอง <c oughs> มันอดไม่ได้ความอยากมันรุนแรงมันอยากได้วิธีไหนทำให้มันได้ก็ต้องเอาทำไม่ซื้อเราไม่ซื้อเข้าก็ซื้อ ก็ต้องซื้อกับเขานี้อย่าไปทางนี้เลยไปทางนี้มันจะนำไปสู่การทำบาปแย่งกันแข่งขันกันทำอาหารกินก็แข่งขันกันเราไม่โกงเขาก็โกงเขาขายของถูกกว่าเราเพราะเขาโกงเราขายของแพงกว่าเขาเพราะเราไม่โกงขายของแพงเราก็ขายไม่ได้เขาขายของถูกเขาขายได้แต่เขาโกงโกงวิธีไหนก็ไม่รู้แล้ว ให้เราใช้ปัญญาสอนว่าทางแห่งลาบยศสรรเสริญสุขนี้เป็นทางสู่ความทุกข์ทางแห่งทานศีลภาวนานี้เป็นทางสู่ความสุขขอให้เรามาทำทานรักษาศีลภาวนานกันดีกว่าถ้าไม่มีเงินทำทานก็ไม่ต้องทำทำสําหรับคนที่มีเงินเหลือกินเหลือใช้ แทนที่จะเอาเงินนี้ไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกต้นกายก็เอามาซื้อความสุขทางใจดีกว่าเป็นความสุขที่อิ่มกว่าที่ดีกว่าถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องทำทานไม่ใช่ให้ไปหาเงินมาเพื่อมาทำทานอันนี้ไม่ใช่ต้องการให้อยู่ทางเงินเพื่อที่เราจะได้มีเวลามานั่งสมาธิกัน เพราะการจะนั่งสมาธิทําใจให้สงบนี้ต้องไม่ทํางานถ้าทํางานแล้วใจมันวุ่นใจไม่ต้องคิดอยู่กับเรื่องงานเรื่องการ evet. เวลานั่งสมาธิแทนที่จะอยู่กับพุทโธมันก็จะไปอยู่กับงานการที่เราทําอยู่ถ้าเราไม่มีงานเราก็ไม่ต้องคิดถึงเรื่องงานเวลานั่งสมาธิให้อยู่กับพุทโธพุทโธมันก็จะอยู่กับพุทโธไปให้อยู่กับลมหายใจมันก็จะอยู่กับลมหายใจไป แล้ว เ, เดียวมันก็สงบสงบแล้วมันก็สบายอิ่มไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรพอถึงเมืองพอแต่มันมันสุขชั่วคราวพอชั่วคราวพอจากสมาธิมามันเริ่มคิดมันก็จะคิดไปทางลาบยศสรรเสริญสุขเราก็ต้องใช้ปัญญาม า, าตัดมันนะกำลังไปหาความทุกขนะ์เนีย อยากจะไปหาแฟนเดี๋ยวก็ไปทุกข์กับแฟนนะอยากจะไปหาเงินเดี๋ยวก็ต้องไปทุกข์กับเงินทุกข์กับการหาเงินทุกข์กับการใช้เงินมีแต่เรื่องทุกข์กลับมานั่งสมาธิดีกว่าถ้าคิดฟุง้งซ่านคิดไปหาความโลภโกรธหลงก็กลับมานั่งสมาธิมาหยุดความโลภโกรธหลงทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปถ้าเราไม่ทาตามความโลภ ค, ความโกรธความหลงต่อไปมันก็หายไป หมดไปพอไม่มีความโลภความโกรธความหลงแล้วเราก็สบายเราก็จะมีศีลแม้ว่าใครจะตั้งศีลมากี่ร้อยปี่กี่พันข้อเรารักษาได้หมดใจที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงนี่รักษาศีลได้แสนเป็นแสนข้อเป็นล้านข้อก็รักษาได้เพราะไม่ทําอะไรสิยอย่างอยู่เฉยมันจะไปทําผิดศีลได้ไงศีลมันมีไว้ ห้าการกระทําที่มันเสียหายกับคนอื่นเช่น ไ, ไ, ไปฆ่าสัตว์นี่ไปฆ่าผู้อื่นมันเสียหายไปรักทรัพย์ของผู้อื่นมันเสียหายแต่ถ้าเราไม่มีความคิดอยากจะฆ่าไม่มีความคิดอยากจะรักทรัพย์มันจะไปละไปฆ่าไปรักทรัได้อย่างไรไ ม, มันอยู่เฉยเฉยมันมีความสุขแล้วทำไมยังต้องไปทําอะไรให้มันเหนื่อยไปที่คนที่ไปฆ่าเพราะมันไม่มีความสุขอยู่เฉยแล้วมันไม่สุขเช่นโกรธเขา พอโกโรธนี่มันก็ร้อนเป็นไฟขึ้นมาแล้วคิดว่าไปฆ่าเขาแล้วจะทำให้ความร้อนเป็นไฟนี้หายไปแต่แทนที่มันจะหายมันกลับทำให้มีเพิ่มมากขึ้นมาอีกพอไปข่าเขานั่นทีนี้วุ่นวายแล้วสิต้องคอยหลบหีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคอยเรามาทางทานศีลภาวนา ถ้าไม่มีเงินทำบุญทำทานก็ตัดไปเอาแค่ศีลกับภาวนาถ้าจะภาวนาก็ต้องศีลแปดถ้าเราไม่ทำงานเราก็รักษาศีลแปดได้ที่รักษาศีลแปดไม่ได้เพราะเราต้องทำงานทำงานมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวข้องกับงานมันก็ต้องทำอะไรพระสิ่งต่างๆ แต่ถ้าเราไม่ต้องทำงานเราก็มารักษาสีนแปดมาเจริญสติเมื่อฝึกสติทำใจให้สงบใจสงบแล้วก็มีความสุขแล้วก็ใช้ปัญญาคอยสกัดความอยากที่จะกลับไปหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสแล้วต่อไปเราก็จะอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขไม่ต้องมีอะไรนอกจาก ปัจจัยสีไว้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องถ้าไม่มีปัจจัยสี่ก็อยู่ไปตามอัตภาพอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะไม่ได้ต้องไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขมีความสุขในใจแล้วไม่ต้องใช้อะไรเป็นเครื่องมือไม่มีร่างกายก็ยังมีความสุขได้เหมือนเดิมพระพุทธเจ้าพระอาราณตอนนี้ท่านไม่มีร่างกายกัน อันก็ยังมีปารมังสุขขังมีบัลลมะสุขอยู่มีความสุขมากกว่ามีร่างกายเสียอีกพอมีร่างกายก็ต้องมีภาระถึงแม้ว่าจะไม่เป็นความทุกข์แต่มันก็เป็นภาระต้องเลี้ยงดูมันต้องหาอะไรให้มันดื่มให้มันรับประทานหาเครื่องนุ่งหม่มหายารักษาโรคหาที่อยู่อาศัยพอไม่มีร่างกายแล้วก็สบาย อยู่กับความสงบอยู่กับความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดโรกเรานี้อยู่กับความทุกข์ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดพอยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ยังมีความอยากอยู่ก็เลยต้องเล่นลนหาสิ่งต่างๆได้สิ่งต่างๆมากก็ต้องมาทุกข์กับการดูแลรักษาแล้วก็มาทุกข์กับการสูญเสียพอเสียไปแล้วก็ดิ่นนนไปหาใหม่ ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นไม่มีวันหยุดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ให้ความพอได้มาแล้วก็พอเดียวเดียวพอใจเดียวเดียวดีใจเดียวเดียวเพราะสิ่งที่ได้มาอันนี้มันเบื่อแล้วจำเจอยากจะได้สิ่งใหม่ๆแปลกๆเขาจึงมีสินค้าแปลกๆใหม่ๆออกมาล่อใจเราอยู่เรื่อย ๆ, ๆพอซื้อมาได้ไม่กี่วันก็เบื่อแล้วรอรุ่นใหม่ออกมาแล้ว เป็นอย่างเนี้ยมันหลอกเราไปเรื่อยๆมาเรามาทางความสงบดีกว่าสงบแล้วจะอิ่มจะพอจริงๆแล้วพอตัดความโลภความโกรธความหลงได้มันก็จะไม่มีความอยากได้อะไรใหม่ๆพราะมันรู้ว่ามันก็เหมือนเดิมได้มาแล้วมันเดี๋ยวมันก็เหมือนเดิมเหมือนของเก่าอยู่ดีได้มาแล้วเดี๋ยวก็เบื่อพอได้ของใหม่มาไม่กี่วันก็กลายเป็นของเก่าไปแล้ว เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามใช้ธรรมะมาคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆพยายามศึกษาฟังเทศฟังธรรมหรืออ่านหนังสือธรรมะอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะมะีคำสอนของพระพุทธเจ้ามีปัญญาของพระพุทธเจ้ามาคอยเตือนใจสอนใจไม่ให้เราไปหลงกับลาบยศสารเสริญหลงกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เพามันเป็นการหาความทุกข์มากกว่าหาความสุขนั่นเองให้เรามาหาความสุขด้วยการทําใจให้สงบกันเจริญสติให้มากๆควบคุมความคิดให้ได้อย่าปล่อยให้ใจคิด เ, เรื่อยไปพยายามดึงไว้ให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปถ้าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ดึงกลับมาที่พุทธโธพุทธโธหรือดึงมาให้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ ผูกใจไว้กับการกระทําต่างๆของร่างกายกําลังทําอะไรก็ให้อยู่กับการกระทํานั้นอย่าส่งใจไปที่อื่นก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติเป็นการดึงใจไม่ให้ไหลไปตามกระแสความคิดปรุงแต่งต่างๆพราะความคิดปรุงแต่งนี้นําไปสู่ความโลภความอยากต่างๆนำไปสู่ความวุ่นวายต่างๆพอหยุดความคิดปรุงแต่งได้มันก็จะหยุดความ วุ่นวายต่างๆได้พอใจไม่วุ่นวายใจก็สงบเย็นสบายมีความสุขไม่ต้องไปหาอะไรไม่ต้องมีอะไรพอได้พบความสุขใจแล้วก็จะพบกับความพอต่อให้ได้อะไรมาเท่าไหร่ก็สู้ความพอไม่ได้เพราะสิ่งต่างๆที่ได้มานี้จะไม่มีคําให้คําว่าพอจะมีแต่คําให้อยากให้มีมากขึ้นหรืออยากจะให้มีอย่างอื่นพอได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็เบื่อ บบเบื่อแล้วก็อยากจะได้อย่างอื่นหรือได้มาแล้วก็ไม่พออยากจะได้มากขึ้นไปกว่า น, นั้นได้ไดเป็นนายสิบก็อยากจะเป็นนายร้อยแล้วพอเป็นนายร้อยก็อยากจะเป็นนายพันได้เป็นนายพันก็อยากจะเป็นนายพลมันอยากไปเรื่อยๆดังนันความพอไม่ได้อยู่ที่สิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ได้อยู่ที่ลาบยศสรรเสริญไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรส แต่อยู่ที่ความสงบของใจถ้าเราไม่ทำความสงบของเราจะไม่มีวันเจอความพอถ้าเราทำความสงบได้เราจะพบกับความพอพบกับความอิ่มพบกับความสุขที่ถาวรฉะนั้นขอให้เราพยายามศึกษาพระธรรมคาสอนอยู่เรื่อยๆแล้วพยายามปฏิบัติตามคำสอนแล้วเราจะได้พบกับความสุขความเจริญที่แท้จริง การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรอ่าได้พวกน้องไงนดิแบบของพวกคนตกกลาขายขายผักพวกนตกลาแต่เขาไม่ได้ตกอย่ไหมครับแบบนี้เขาเรกว่าเขาบาา แล้วเราไม่ได้ไปสั่งให้เขาฆ่าเหยื่อนั่นก็เราฆ่าเราค่าเหยื่อว่าเปเหยื่อมันเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นพวกไม่ใช่ของสดของตายแล้วก็ไม่เป็นไรสมมติเราไปซื้อของที่เขาตายแล้วขายที่ตามท้องตลาดแล้มาทําเป็นเหยื่ออย่างนี้ไม่เป็นไรแต่เราอย่าไปสั่งล่วงหน้าว่าพรุ่งนี้จะเอ า, เอาไก่กี่ตัวเป็ดกี่ตัวอย่างนี้สั่งไม่ได้ซื้อตามตามมีตามเกิดได้อยู่ คนอยากจะฆ่าเราเขาฆ่ามาขายนันเป็นความผิดของเขาเป็นโทษของเขาถ้าเราไปสั่งให้เขาฆ่าเป็นเป็นโทษของเราด้วยของเป็นโทษของเขาด้วยงั้นถ้าเราจะไปซื้อเนื้อสัตว์นี่ต้องอย่าไปสั่งเขาไปดูตามท้องตลาดถ้ามีขายก็ซื้อมาถ้าไม่มีขายก็ก็งดไปก็ยังไม่ถึงกับการทำบาปเข้าใจนะ มีใครอยากจะถามอะไรไหมไม่มีเดี๋ยวจะให้ทางบ้านลองส่งคำถามเข้ามาวันนี้เข้ามาเท่าไหรนะ่ละวันนี้มาประมาณสามร้อยสี่สิบคนครับห้าสิบเท่าเดิมขาประจำ <laughs> โอเคครับคำถามจากคุณพัชรีก่อนแล้วกันนะครับ คนที่เขาว่าคนที่เข้าวัดทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความศรัทธาเขาบาปไหมคะและเขาจะรับผลเช่นไรก็มันไม่ได้พูดปดหรือว่าพูดปดถ้ามันพูดปดก็บาปถ้าไม่ได้พูดปดมันก็ไม่บาปคำถามข้อต่อไปจากทาง YouTube ไลฟ์นะครับ ถ้าเราใส่บาตรแล้วลืมกวดน้ําอุทิศ ส, ส่วนกุศลมานึกได้ก็ตอนเย็นแล้วเราสามารถกวดน้ําตอนเย็นได้ไหมและเขาเหล่านั้นจะได้รับใหม่ครับได้กวดได้อยู่แต่มันอาจจะไม่สดเหมือนกับตอนที่กวดตอนที่เสร็จใหม่ๆทําเสร็จใหม่ๆบุญมันสดๆร้อนๆถ้าไปกวดตอนเย็นนี้บางทีบุญมันอาจจะบูดไปแล้วก็ได้ ไปบูดเบี้ยวไปโกรธใครมาก็จะไปเราลึกถึงบุญที่เราได้ทำไว้มันนึกไม่ออกใชลไหมความรู้สึกนั่นมันหายไปแล้วเพราะเราไปทำงานทำการไปทะเลาะวิวาทกับคนนั่นคนนี้มีแต่อารมณ์บูดเบี้ยวอยู่ในใจถ้าจะไปอุทิศ ต, ตอนนั้นก็อุทิศแต่ความบูดเบี้ยวไปเห็นทำเสร็จกวดไปเลย เรใส่บาตเสรจปั๊บตอนนั้นกําลังมีความสุขใจสบายใจนั่นัแหละคือเราส่งความสุขความสุขใจอิ่มใจไปให้กับผู้ที่เขารอรับอยู่เขาจะได้แบ่งเอาความสุขใจอิ่มใจนั้นไปให้เขาได้มีความอิ่มใจขึ้นมาแต่ถ้าเรารอให้จนทั้งเย็นเราลืมแล้วเรานึ่งไปแล้วไปมีเรื่องมี ร, งมราวกับคนนั้นคนนี้มีแต่อารมณ์บูดเบี้ยวเนี่ยมันก็จะอุทิศอะไรไปก็อุทิศความบูดเบี้ยวไปะ คำถามข้อต่อไปจากคุณสุทธิพง์นะครับผมฝึกนั่งสมาธิโดยวิธีลมดูลมหายใจเข้าออกพอดูไปเรื่อยๆรู้สึกว่าจิตเริ่มสงบและลมหายใจก็จะเบาลงจนเหมือนว่าร่างกายไม่หายใจรู้สึกอึดอัดเหมือนเรากั้นหายใจผมพยายามทำสมาธิต่อไปไม่สนใจจนร่างกายต้องหายใจเพื่อขึ้นเองอีกครั้งและต้องทำสมาธิใหม่ต่อเป็นอย่างนี้อยู่บ่อยครั้ง อยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าพอจิตสงบลงเรื่อยๆร่างกายก็จะหายใจเบาตามจนไม่หายใจใช่หรือเปล่าครับและหากเป็นอย่างนี้ต้องปฏิบัติอย่างไรดีก็ปล่อยลมไปตามธรรมชาติของเขาเรามีหน้าที่เพียงแต่ดูเขาไปเท่านั้นเองลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหายไปก็รู้ว่าหายไปอย่าไปควบคุมบังคับลมให้มัน เป็นไปตามความต้องการของเราไม่ตายเวลานั่งไปจิตเริ่มสงบมันจะใช้ใช้นมน้อยลงไปเรื่อยเหมือนรถเนี่ยถ้ารถมันจอดอยู่มันจะไม่กินน้ำมันมากเหมือนกับเวลาวิ่งเวลาจิตมันจะสงบมันเหมือนรถกำลังจะจอดมันก็ไม่ใช้นมมากนมมันก็ไหลหายใจเบาลงไปก็ให้รู้ว่ามันเบาลงไปนั่น แล้วถ้ามันไม่ได้หายใจก็ให้รู้ว่าไม่หายใจไม่ตายหรอกมันอาจจะหายใจนานหายใจสักครั้งหนึ่งก็ได้เพราะมันไม่ต้องใช้ลมมากร่างกายไม่ต้องใช้นมมากเพราะร่างกายไม่ได้ทำงานเพราะใจเป็นผู้สั่งไม่ได้ทำงานมันก็เลยทุกอย่างมันก็จะลงไปจนนิ่งไปให้รู้เฉยๆอย่าไปกลัวอย่าไปอย่าไปดึงลมกลับมาจะดึง ให้มันกลับมาปไปมันไปลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดให้รู้เฉยๆใช่ไหมคาถามข้อต่อไปจากคุณดนพานะครับเด็กอายุสองขวบสามเดือนควรฝึกนั่งสมาธิได้หรือยังคะจะไปฝึกให้เขาทําอะไรนะให้เขาช่วยตัวเองให้ได้ก่อนถ้าฝึกได้ก็ฝึกไ แล้วแต่คําถามจากคุณมีนานะครับการที่เราโกรธใครสักคนมากาก็ปรโกรธแทนเช่นซื้อของไปให้ก็ ร, รู้สึกสบายใจแต่ก็กลัวว่าความโกรธจะกลับมาอีกอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าเราทําแบบนี้ทางที่เรามาโหคนอื่นจะช่วยให้เรามีโทสจริตลดลงบ้างไหมคะจะเหมือนเวลาที่เราไม่ทําตามความอยาก แล้วความอยากจะลดลงใช่ไหมคะใช่ทุกครั้งที่เราโกรธเราก็พยายามสร้างความไม่โกรธขึ้นมาด้วยการเอาเข้าเอาของไปให้คนที่เราโกรธทำบ่อยๆข้าต่อไปมันก็จะไม่ไปโกรธเขาสร้างความรักขึ้นมาทดแทนความโกรธคาถามจากคุณเมียนะครับ อยากจะขอเรียนถามหลวงปู่ว่าการทําแท้งเพื่อช่วยรักษาชีวิตแม่หมอที่จําเป็นต้องทําบาปไหมครับและหมอที่จําเป็นต้องทําแบบนี้บ่อยๆจะเป็นอุปสรรคต่อมรรคผลนิพพานในชาตินี้ไหมเป็นเพราะาบาปมันบาปการฆ่านี่มันบาปนะบาปทั้งสองคนนะทั้งแม่ทั้งหมอพ่อแม่ต้องเป็นคนสั่งให้หมอทำํำแล้วก็หมอก็เป็นคนทําก็มี การร่วมกระทำบาปด้วยกันเมื่อทำบาปแล้วมันก็จะเป็นอุปสรรคต่อการไปนิพพานเพราะศีลไม่บริรสุทธิ์ศีลไม่บริสุทธิ์นี้ก็จะทำให้การเจริญสมถะภาวนานี้ทำได้ยากเพราะจิตจะวุ่นวายจะไม่สงบจะกังวลกับเรื่องบาปกรรมต่างๆที่ได้ทำเอาไว้ก็จะเป็นอุปสรรคยกเว้นว่าเป็นคนที่มีบารมีเดิมอยู่มาก เช่นองคุลิมานี่ไปฆ่าคนถึง999คนแต่องคุลิมานก็มีสติมีสมาธิพอได้ปัญญาจากพระพุทธเจ้าก็สามารถที่จะไปบรรนุผ่านได้อันนี้เป็นกรณียกเวน้นถึงแม้ได้ฆ่าคนมาถึง999คนแต่การมีสติที่สามารถที่จะทำให้ลืมไปหมดไม่คิดถึงมันไม่กังวลถึงมัน สามารถทำใจให้เข้าสู่ความสงบใช้ปัญญาตัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจได้ก็ไปถึงพระนิพพานได้ดะงนั้นเรื่องแต่และเรื่องของแต่ละคนนี่มันไม่เหมือนกันดังนั้นมันบางทีพูดไม่พูดไม่ได้ว่าทําไมคนนี้ถึงเป็นอย่างนี้ทําไมคนนี้ถึงไม่ถึงเป็นอย่างนั้นเพแต่ละคนนี้มีความเป็นไปเป็นมาไม่เหมือนกันแต่โดยทั่วไป พูดตามหลักศีลสมาธิปัญญาถ้าไม่มีศีลก็ยากต่อการสร้างสมาธิถ้าไม่มีสมาธิก็ยากต่อการสร้างปัญญาแต่ถ้าในอดีตชาติเคยรักษาศีลได้เคยมีสมาธิแล้วถึงแม้ว่าจะมาพลาดทั้งทำผิดบ้างก็มันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเ็ ย, ยังมีสมาธิเก่าวอยู่เขาก็สามารถใช้สมาธินี้เจริญปัญญาตัดกิเลสได้ คำถามจะคุณสมโชคนะครับถ้ายังต้องทำงานและพยายามตามรู้แต่ก็ไม่สามารถต่อเนื่องได้เนื่องจากขณะทำงานยังต้องใช้ความคิดแบบนี้เป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะใช่คนที่เขาอยากจะทำใจสังบเข้าถึงมากจะออกจากงานกันเพราะถ้าทำงานแล้วมันก็ทำให้ต้องคิดเวลามานั่งสมาธิที่บ้านก็นั่งไม่ได้แต่ถ้าไม่ได้ทางานมันก็สามารถควบคุมความคิดด้ได้ แลว่านั่งสมาธิก็จะสงบได้ง่ายกว่าคำถามจากทาง YouTube นะครับจากคุณกิจกรนะครับผมมีความจำเป็นต้องฉีดยาต้านไวรัสให้สุนัขที่เลี้ยงเพื่อกำจัดเห็บหมัดถ้าไม่ฉีดสุนักก็มีแผลเต็มตัวขอความเมตตาพระอาจารย์ว่าควรทำอย่างไรดีครับจะได้ไม่ฆ่าสัตว์ถ้าฉีดยาให้สุนัมันไม่ไมันไม่ได้ไปทาใหสัตว์ตายไม่ใช่ เห็บครับอาจารย์มันมันมันไม่ที่มันมันไม่ได้ไปฉีดที่ตัวเห็บไม่ใช่นะได้ไงใช่ครับแล้วเห็บมันตายเองหรือว่ามันไม่มันไม่กัดแล้วมันหนีไปแล้วมันตายเพราะเวทพราะเพราเวลาจินยาในหมาแล้วหมามันมีพิษอย่างนี้หละแล้วเห็บไปกัดไปไปกินเลือดก็ตายก็ตายอออันนั้นก็เป็นกรรมของเห็บนะ อ่าก็เหมือนเราฉีดยาวัคซีนการโรคต่างๆอันนี้ไม่ผิดนะใช่ไหมอย่างเราก็ฉีดวัคซีนไม่ได้เลยถ้ามีเชื้อโรคระบาดอย่างนี้เราก็ต้องฉีดวัคซีนตอนเราฉีดวัคซีนแต่อันนี้มันสร้างภูมิท้านทานขึ้นมาทําให้เชื้อโรคไม่สามารถมาสร้างโรคภัยไข้เจ็บให้กับร่างกายได้แต่ถ้าเราฉีดสารเข้าไปในร่างกายเพื่อให้สัตว์ที่มากินเลือดเหล่านี้มันตาย อ, นนอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นการฆ่ายอยู่ มีเจตนาให้มันคําถามจากุลเอ็นสุกนะครับเวลานั่งสมาธิจิตสงบแต่พอถอนยังมีเหมือนสมาธิยังค้างอยู่เหมือนเครื่องติดอยู่ตลอดไม่หายทําอย่างไรดีเจ้าคะเป็นมานานแล้วก็ดีสิมันเรงต้องการให้มันติดมาขณะที่เราออกจากสมาธิมาเรายังมีความสงบติดมาก็ดีมันจะทําให้ใจเราเย็นสบายไม่วุ่นวายใจ ถ้าเราทำบ่อยๆทําอย่างต่อเนื่องเวลาออกจากสมาธิมานี้มันก็จะเย็นเหมือนกับอยู่ในสมาธิก็จะทําให้เราต่อสู้กับความโลภความโกรธ ค, ความหลงได้ง่ายเวลาโลภเราก็จะเฉยๆได้เวลาโกรธเราก็จะเฉยๆได้คําถามจากคุณวาสนานะครับการปฏิบัติบุญเริ่มเกิดจากตรงไหนครับจากเราเริ่มลงมือปฏิบัติหรือเราต้องปฏิบัติจนจิตรวมแล้ว ปฏิบัติบุญยังไงครับอ่ามันก็บุญเริ่มเกิดจากตรงไหนอ่าครับหรือตอนที่เริ่มปฏิบัติเลยหรือว่าต้องจิตรวมก่อนครับอาจารย์ก็ตั้งแต่เริ่มเนะ่ยเริ่มมันก็เป็นบุญอย่างหนึ่งนะคือเวลาเรามานั่งสมาธินี้ก็ท้าเกับเรามีศีล น, นะเราไม่ได้ไปทําบาปทํากรรมอะไรก็ได้บุญนะแล้วพอจิตสงบ ก, ก็ได้บุญอีกจากความสงบเองเนี่มันได้บุญตั้งแต่เริ่มต้นยะเริ่มตั้งแต่ทําเลย หรืตั้งแต่มีความตั้งใจที่จะทําก็ได้บุญแต่ได้น้อยหน่อยอแต่พอจิตรวมก็เยอะขึ้นอ่ามันเป็นการเริ่มคําคถามจากคุณฟ้าใสนะครับอยากสอบถามว่าอา น, นิสงส์ของการถวายต้นกระถินคืออะไรและทําไมต้องถวายหลังออกพรรษาประมาณหนึ่งเดือนคะเรื่องกระถินนี่มันเป็นเรื่องของพระที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าสมัยยุคแรกๆนี้พระมีผ้าไม่พอใช้ะ แล้วพอไปเจอฝนเข้าผ้าก็เปียกไม่มีผ้าเปลี่ยนเวลาไปเฝ้าพระเจ้าก็ห่มผ้าเปียกๆเข้าไปพระเจ้าเห็นก็สงสารเพราะว่าไม่มีผ้าเปลี่ยนแล้วญาติโยมก็ไม่คิดที่จะถวายผ้าสมัยก่อนเขาคิดว่าสิ่งที่พระต้องการก็คืออาหารบิณฑบาตพอเห็นพระไปหาผ้าตามป่าช้ากันก็เลยคิดว่าใช้ผ้าที่ถวายไม่ได้ ก็เลยไม่ได้มีใครคิดจะถวายผ้ากันพระเจ้าจ้าก็เลยบอกว่าตอนนี้พระมันเยอะผ้ามันไม่พอใช้ต่อไปนี้ญาติโยมควรจะถวายผ้าให้พระได้มีมาเพิ่มเพื่อที่จะได้เปลี่ยนบ้างเวลาฝนฟ้าอากาศไม่ดีฝนตกเปียกฝนแต่ท่านก็ไม่อยากจะให้ถวายไปแบบท่ำเพื่อไม่มีขอบไม่มีเขตก็เลยให้ถวาย ช่วงระยะหนึ่งเดือนหลังจากออกพรรษาเพราะว่าท่านจะให้รางวัลกับพระที่อยู่จําพรรษาถ้าใครอยู่จําพรรษาได้สามเดือนจะมีอ น, นิสงส์ได้มีสิทธิ์รับผ้ากรถินถ้าไม่ได้จําพรรษาก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะรับผ้ากรถินอันนี้ก็เป็นเหตุทำไมาว่าแต่ท่านไม่อยากให้ถอยทั้งปีทั้งชาติ เดี๋ยวพระก็ต้องมามัวมารอรับแต่ผ้ากระถินท่านต้องการให้พระไปภาวนาไปปฏิบัติผ้านี้มีไว้สำหรับสนับสนุนการภาวนาไม่ใช่มีไว้เพื่อมาขัดขวางการภาวนาถ้าเกิดญาติโยมจัดผ้ากรถินได้ทั้งปีเดี๋ยวญาติกลุ่มนั่นก็ขอถวายกรถิน่นกลุ่มนี้ก็ขอถวายกระถินพระก็เลยต้องมานั่งรับผ้ากระถิน แตสมัยนี้มันก็เป็นละเพียงแต่มันเปลี่ยนชื่อจากกรถินมาเป็นผ้าป่า น, นี่มันก็แบบเดียวกันเจตนาท่านไม่ต้องการให้พระมามัวรับผ้าป่าผ้ากรถินให้มารับพอเพียงพอได้รับชุดหนึ่งพอแล้วไปได้เข้าป่าไปได้แล้วไม่ต้องมายุ่งกับญาติโยมนะแต่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เข้าป่ากันไนะ้ยมามัวแต่รับผ้ากรถินผ้าป่ากันจนทั้งผ้าล้นวัดเต็มวัดเนี่ยแต่ภาวนาไม่มีเลย ท่านถึงกำหนดว่าหนึ่งเดือนให้ระยะเวลาหนึ่งเดือนเป็นช่วงระยะที่จะรับผ้าล้วผ้าที่ถวายนี้ก็ไม่ให้เจาะจงให้กับผ้ารูปหนึ่งรูปใดให้ถวายให้เป็นของวัดให้เป็นของผ้าที่อยู่ในวัดและให้ผ้าเข้าไปแบ่งกันให้เข้าไปจัดสรรแบ่งกันเองผ้าก็จะดูว่าใครผ้าใครเก่ากว่ากันไม่ได้ดูที่ว่าใครเป็นอาวุโสหรือไม่อวุโสแต่ดูความจาเป็นใครมีผ้าเก่าก็เอาผ้าใหม่ไป คนที่ยังมีผ้าใหม่ดีอยู่ก็ยังไม่ต้องเอานี่คือเรื่องของการถวายผ้ากรถิน่น เ, เขาก็เลยบอกสมัยนั้นว่าพระพุทธเจ้าบอกการถวายผ้านี้ได้บุญมากเพราะว่ามันเดือดร้อนไงยุคนั้นมันขาดแขนผ้ามากนั้นการถวายผ้าก็เลยมันเป็นประโยชน์มากความหมายมันไม่ได้เป็นบุญมากมันเป็นประโยชน์เพราะพระเดือดร้อนจึงว่าทาให้พระไม่เดือดร้อนบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพระไป แต่สมัยนี้ผ้ามันล้นตู้ล้นวัดละมันไม่กระถินมันก็จะถวายไม่ถวายมันก็ไม่มีความแตกต่างกันละเพราะไม่มีไม่มีกระถินมันมีก็มีผ้าป่าไม่มีผ้าป่ามันก็มีผ้าศพเนี่ยงานศพนี่ก็ถวายผ้ากันอยู่ตลอดเวลาดะงนั้นตอนนี้สิ่งที่จะเป็นบุญเป็นประโยชน์กับพระก็คือวัดที่เป็นป่าถ้าอยากจะทำบุญก็ถวายที่มาให้พระไปสร้างวัดป่ากัน จะได้มีที่ปฏิบัติธรรมกันเพระเาะตอนนี้มันขาดแคลนแล้วสถานที่ปฏิบัติธรรมเพราะมันวัดก็กลายเป็นบ้านเป็นเรือนไปหมดแล้วมไม่ใช่เป็นที่ปฏิบัติธรรมหลวงตาท่านก็เคยซื้อที่ไว้ให้ให้ทาวัดป่ากันวัดวัดไหนเป็นวัดป่าบางทีท่านก็ซื้อที่เพิ่มขยายออกไปเพราะว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมมันต้องอยู่กันไม่ไม่ใกล้ชิดติดกัน ต้องอยู่กันแบบไม่ให้ไม่ให้เห็นหน้ากันได้ดีมันจะได้ไม่คอมเมนตกันไม่คิดถึงกันพออยู่กุฏิใกล้ๆกันเดี๋ยวมันเห็นหน้ากันเดี๋ยวมันก็คอเมนกันขึ้นมาบ้างนึคิดถึงกันบ้างชวนกันมาคุยกันบ้างมาเล่นกันบ้างให้ไปปกไปเวกนั้นวัดป่ามันต้องเป็นใช้ที่มากแล้วก็มีที่ที่จะอยู่ห่างไกลกันพอสมควร พอไม่ให้ได้ยินเสียงกันพอแม่ให้เห็นหน้ากันก็นจะได้รู้สึกว่าอยู่คนเดียวเพราะความ ร, รู้สึกว่าอยู่คนเดียวมันจะทำให้ใจสงบง่ายนี่ก็คิดเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องของผ้ากรถิ่นงั้นเขาจะถวายผ้ากรถิ่นตั้งแต่วันแรมหนึ่งข้ามเดือนสิบเอถึงวันขึ้นถึงวันขึ้น15บห้าข้ามเดือนสิบสอวันลอยกระทง วันลายกระทงนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับการที่จะถวายผ้ากระถินหลังจากนั้นก็ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นผ้าป่าไปคำถามข้อต่อไปจากคุณน้องเล็กนะครับเราจะหาจุดสมดุลในการใช้ชีวิตในทางโลกที่ต้องดำเนินชีวิตและประกอบสัมมาอาชีพในขณะเดียวกันก็ต้องการปฏิบัติธรรม ให้พอเหมาะพอดีได้อย่างไรคะหลายครั้งเกิดการขัดแย้งอยู่ภายในระหว่างหน้าที่และความสุขสงบของใจก็คือเราต้องรู้ว่าเราต้องหาอะไรหาสิ่งที่จําเป็นคือปัจจัยสี่หาอาหารหาที่อยู่อาศัยหายารักษาโรคหาเครื่องนึ่งหงสถ้าเรามีสิ่งทั้งสี่ประการนี้แสดงว่าพอแนละ้วเราอย่าไปหาอย่างอื่นดานการหาปัจจัยสี่ก็ควรที่จะเป็น หาปัจจัยสี่แบบแบบพอประมาณคือไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่หรูหราไม่ไม่ขี้เละเรียวกำลังดีพอเหมาะสมกับฐานะของผู้หาก็แล้วกันบ้านก็แล้วแต่ราคาของผู้หาถ้ามีปัญญาหาบ้านที่ที่แพงได้ก็ซื้อมา ถ้าไม่มีปัญญาก็ซื้อบ้านตามกําลังของเราอาหารก็เหมือนกันที่อยู่ว่าปัญารักษาโรคเครื่องนึ่งห่มก็เหมือนกัน <c oughs> คือเอามาดูที่ประโยชน์ <c oughs> ว่ามันทำได้หรือเปล่าบ้านบ้านบ้านราคาล้านหนึ่งกับบ้านราคาแสนหนึ่งกับบ้านเช่านี้มันทําหน้าที่ได้เหมือนกันหรือเปล่าถ้าทำได้ก็เอาเอาสิ่งที่มันถูกที่สุดเนะี่ยมักน้อยก็ต้องเอาถูกที่สุด ว่ามันจะได้ไม่ต้องใช้เวลาหาเงินมากเราจะได้มีเวลามาหาความสุขทางใจมีเวลามานั่งสมาธิมารักษาศิลนแปดมีเวลาไปวัดกันได้งั้นเราต้องถือเศรษฐกิจพอเพียงอย่างที่ในหลวงทรงสอนเนี่ยให้มีปัจจัยสี่พอเพียงตามสมควรแก่ฐานะของเราเพื่อร่างกายจะได้อยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อน ้เราจะได้มีเวลามาหาความสุขทางใจถ้าเราอยากจะมีเวลาหาความสุขทางใจมากเราก็ต้องใช้เวลาหาความสุขทางร่างกายให้น้อยลงให้มากที่สุดแทนที่จะซื้อบ้านสิบล้านก็อาจจะมาเช่าบ้านอยู่เดือนละสองพันสามพันอย่างนี้เราก็จะได้ไม่ต้องใช้เวลาไปหาเงินมาสร้างบ้านสิบล้านหาแค่เดือนละสามพันก็จ่ายค่าเช่าบ้านได้แล้วอันนี้เราก็จะได้ ทำงานทางทางร่างกายความสุขทางร่างกายให้มันน้อยลงไปท่านเรียกว่ามักน้อยให้มักน้อยทางร่างกายนี้เอาเสื้อผ้าไม่กี่ชุดก็พออาหารมื้อสองมื้อก็พอแล้วก็ไม่ต้องมีราคาแพงๆอาหารที่มันเป็นถูกสุข ล, กขลักษณะกินแล้วทําให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็พอแล้วไม่จําเป็นจะต้องเป็นราคาแพ ง, แพง ของแพงๆนี้ไม่ดีมันเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณอันนี้ก็คือวิธีแยกแยกการทำหน้าที่หน้าที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ทำให้มันน้อยที่สุดทำเท่าที่จำเป็นเพื่อจะได้มีเวลามาทําหน้าที่ทางใจได้มากขึ้นเพราะความสำคัญของใจนี้มากกว่าความสำคัญของทางร่างกายร่างกายเป็นของชั่วคราวใจเป็นของถาวรความสุขทางร่างกายก็กลายเป็นความสุขชั่วคราว พอร่างกายตายไปความสุขทั้งหมดก็หมดไปแต่ความสุขทางใจนี้อยู่กับใจไปตลอดสร้างความสุขให้ทับใจมากเท่าไหร่มันก็จะอยู่กับใจไปมากเท่านั้นไม่มีวันหมดเอน็นเรามาให้ความสำคัญกับใจดีกว่าเอาเวลาของเรานี้แบ่งมาให้ใจให้มากที่สุด เ, เช่นเอาร้0ยละสิบให้กับร่างกายร้อยละเก้าสิบมาให้กับใจนี่คือวิธีของพระพระ ให้ประมาณร้อยละสิบต่อการดูแลรักษาร่างกายเช้าก็ไปบินตบาตฉันเสร็จมื้อเดียวก็จบละเสื้อผ้าก็ไม่ต้องซื้อจีวรก็ชุดหนึ่งก็ใส่ได้เป็นปีไม่ต้องไปเปลี่ยนผ้าสามผืนที่อยู่อาศัยก็อยู่ตามมีตามเกิดอยู่ที่ไหนหลบดาดหลบฝนได้ก็อยู่ไปยารักษาโรค ก, ก็มีอะไรกินก็กินไปไม่มีก็ใช้ธรรมโอสถไป หายก็หายไม่หายก็ตายท่านท่านเอาแบบนี้กับร่างกายท่านไม่ค่อยแยแสกับเรื่องของร่างกายเท่าไหร่ท่านให้ความสำคัญต่อเวลาเวลาการมาสร้างความสุขทางใจเอาเวลา9กซนี้มาเดินจงกรมนั่งสมาธิมาปีกวิเวกมาฟังเทศฟังธรรมอันนี้จะได้ประโยชน์มากกว่าคำถามข้อต่อไปจากคุณสุจิตโตนะครับ เวลาเวทนาพยายามจะแยกเวทนากับจิตแต่พอเวทนาหนักเข้าก็ทนไม่ไหวเวทนาก็วิ่งเข้าสู่จิตถ้าอย่างนี้ผมควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปดีครับมาถูกต้องไหมถ้ายัางแยกไม่เป็นก็ใช้พุทธโธแยกไปก่อนเวลาเกิดคำเวลาเกิดเวทนาก็พยายามบริกรรมพุทธโธเกาะติดอยู่กับคาบริกรรมอย่าไปส่งใจไปหาเวทนานึงใจมาอยู่กับพุทธโธ แล้วมันจะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับความเจ็บของเวทนาบางทีมันก็เข้าสู่ความสงบได้เวทนาหายไปจิตก็อยู่ตามลําพังสักแต่บารู้อันนี้ต้องใช้อุบายของสติก่อนเพราะว่าเรายังใช้ปัญญาไม่เป็นสองเราไม่มีกําลังพอที่จะแยกมันได้เพราะสติเรากําลังยังน้อยดัยงนั้นเบื้องต้นต้องใช้ใชใชการบริกรรมพุทโธแยกมันไปก่อน แล้วพอเรามีสมาธิแล้วจิตเรารวมได้จากการแยกแยกใจออกจากเวทนาได้แล้วทีนี้ใจจะงมีพลังใจยจะมีอุเบกขาที่จะทำให้เราไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยเดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายแล้วจะทำให้เราใช้ปัญญาแยกแยะดูว่าปัญหาอยู่ที่ตรงไหนปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ความเจ็บของร่างกายที่ใจทุกไม่ได้ทุกเพราะความเจ็บของร่างกาย แต่ใจทุกข์เพราะความอยากให้ความเจ็บหายไปนั่นก็มาแก้ที่ตัวนี้หยุดความอยากตัวนี้อย่าไปอยากให้ความเจ็บหายไปอย่าอย่าไปอยากหนีจากความเจ็บนั่นไปทาใจให้เฉยๆทาใจ ท, า, ทาใจดีสู้เสือไว้สักแต่ว่ารู้แล้วใจจะไม่เจ็บใจจะไม่ทุกข์แล้วก็จะอยู่กับความเจ็บได้ต่อไปเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย จะเป็นโรค ก, กลายชนิดไหนจะเจ็บปวดขนาดไหนใจจะไม่เดือดร้อนพระพุทธเจ้าพระหลานนี้ท่านตายอย่างสบายท่านไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลเหมือนพวกเราท่านมียารักษาใจเรื่องสําคัญเพราะความความทุกข์ส่วนใหญ่อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเมื่อไม่มีความทุกข์ทางใจแล้วก็ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บทางร่างกายเพราะห้ามมันไม่ได้ด้วยความเจ็บทางร่างกายมันจะเจ็บก็ห้ามมันไม่ได้ ก็ต้องปว่ยมันเจ็บไปเดี๋ยวมันก็หายเองพอไม่หายใจมันก็หายไปหมดนะคำถามจากคุณวสนานครับการปฏิบัติในเวลาสองชั่วโมงเดินมากกว่านั่งได้ไหมคะมีคนบอกว่าต้องเท่ากัน อ, อ๋อมันแล้วแต่ความจำเป็นถ้าร่างกายมันต้องการเดินมากกว่านั่งก็ต้องเดินถ้าต้องการร่างกายมันต้องการนั่งมากกว่า เดินก็นั่งมันแล้วแต่ความต้องการของร่างกายส่วนหนึ่งเราก็ต้องรักษาความสมดุลของร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยอีกส่วนหนึ่งเราก็รักษาใจด้วยการภาวนาการภาวนาในท่านั่งหรือท่าเดินก็ภาวนาเหมือนกันเช่นก็บริกรรมพุทโธอยู่เหมือนกันงั้นจะทำในท่าไหนก็ได้ที่ท่านบอกให้เท่ากันก็คือพูดโ ด, โดยภาพรวมว่าเราต้องแบ่งรยราบททั้งสี่ให้มันสมดุลกัน ไม่ใช่ว่านั่งมากเกินไปกัดนั่งมากเดี๋ยวร่างกายมันก็มันก็เป็นอะไรไปได้เดินมากเกินไปมันก็เป็นอะไรได้ฉะนั้นถ้ามันเดินแล้วเมื่อยก็มานั่งนั่งแล้วเมื่อยก็ลุกไปเดินอันนี้ก็คือหลักทั่วๆวไปอย่างที่เราทํากันอยู่ทุกวันเนี่ยเราก็เปลี่ยนปริยาบทไปเรื่อยใช่ไหมบางทีเรานอนนั้นเมื่อยล้วก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเดินลุกขึ้นมาวิ่ง พอทำอะไรเสร็จเหนื่อยอ่ะเรก็กลับไปพักใหม่มันก็สลับไปสลับมาตามความต้องการของร่างกายน่แหละมันไม่มีสูตรตายตัวแต่ถ้าพูดโดยภาพรวมก็ใช่มันต้องมีมันต้องพอเท่าๆกันให้มันเหมาะสมต่อการดูแลรักษาร่างกายไม่ให้ร่างกายมันชำรุดชุดโทรมหรือให้มันพิกลพิการไปคำถามข้อต่อไปจากทาง u t u b e ไลฟ์นะครับ แต่คุณอีซี่อุ้ยนะครับเป็นลูกคนเดียวต้องการจะบวชแต่ไม่มีใครสืบตระ ก, กูลแล้วผิดไหมแล้วถ้าขออนุญาตมารดาบวชแล้วมารดาไม่ยอมให้บวชบวชได้ไหมและถ้ามารดาอนุญาตแต่ในใจมารดาเป็นทุกข์กลัวไม่มีใครดูแลตอนแก่เท่าเราบวชเราผิดไหมไม่ผิดหรอกถ้าแม่อนุญาตเพราะว่าเป็นพ่าก็ดูแลแม่ได้ ดีไม่ดีดูแลก่อนตอนที่เป็นโยมสิพอเป็นโยมต้องไปดูแลลูกเมียมากกว่าดูแลแม่บางทีทิ้งแม่ซะเลยพอได้ได้ลูกได้เมียก็ลืมแม่เลยเพราะฉะนั้นแต่เวลาบวชนี่ไม่มีเมียไม่มีลูกนี้ไม่ดีเอาแม่มาบวช ด, ด้วยเลยแม่จะได้บรรลุธรรมได้ด้วยเหตนการบวชนี่ดีจะได้ดูแลดูแลพ่อแม่อย่างถูกต้องเพระพุทธเจ้าเนี่ยดูแลพ่อแม่ด้วยการบวช ทำให้แม่เป็นพระสวดามันทําให้พ่อเป็นพระอาหารหันต์ทำให้ลูกให้เมียเป็นพระอาหารหันต์ทำให้แม่แม่เลี้ยงเป็นพระอาหารหันต์เพราะการบวชของพระพุทธเจ้ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาเวลาบวชพ่อแม่ก็ไม่อยากจะให้บวชเพราะพ่อแม่คิดในทางกิเลสคิดว่าต้องอยู่ทางโลกอยู่เพื่อสืบสกุลอยู่เพื่อรักษาทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองพ่อของพระพุทธเจ้าก็ไม่อยากให้พระพุทธเจ้าบวชอันนั้นเป็นความคิดผิด เป็นความทุกข์ที่ผิดนั้นทุกแบบนั้นช่วยไม่ได้คิดผิดเองก็เลยทุกข์ขึ้นมาเองแต่ตอนหลังพอลูกบวชแล้วเห็นประโยชน์ของการบวชก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนใจเองอนุโมทนาดีใจแบบของการบวชของลูกงนั้นไม่ต้องไปกังวล น, นะถ้าจะไปบวชแล้วถ้าแม่อนุ ญ, ญาตให้บวชถึงแมกว่าแม่จะเสียใจก็ไม่เป็นไรเป็นความเสียใจที่ที่ผิด ถ้าถ้ามีธรรมถ้ารู้ว่าการบวชนี้ดีมีประโยชน์อย่างไรก็จะไม่เสียใจจะดีใจพ่อแม่บางคนนี่เขาเข้าวัดอยู่เรื่อยเขารู้ว่าการบวดดีอย่างไรพอลูกจะกจะขอบวดเนี่ยโอ้เขาดีใจก็ปลื้มปิติบางทีน้ำตาไหลขนลุกซ้าอันนี้มันอยู่ที่ทัศนคติของคนต่อการบวดถ้ารู้ว่าเป็นประโยชน์เขาก็จะดีใจ ถ้าเขาไม่รู้ว่าเป็นประโยชน์เขาก็จะเสียใจยังไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ต้องได้รับอนุ ญ, ญาตจากพ่อจากแม่ก่อนแต่ถ้าจำเป็นจริงๆถ้าอยากจะบวชจริงๆ ก, ก็โกหกไปก็ได้การโกรหกเพื่อบวชนี่ไม่เสียหายอะไรเป็นกุศโลบายไหมเพราะเราไม่ได้ไปทำผิดอะไรการบวชการโกรหกเพื่อไปทำความดีมันเสียหายตรงไหนใช่ไห ถ้าการโกหกเพื่อไปทำทาให้เกิดโทษกับผู้อื่นนั้นนะ่ะมันถึงไม่ดีเขาถึงเขาถึงเรียกว่ากุสโลบายเรียกว่ากุศโลบายได้ไม่อาแต่ผู้ที่บวชบอกว่าถึงแม้มารดาจะอนุญาตแต่ก็ทุกใจอาจารย์ก็ตัวเองก็คิดคิดไม่เป็นเองก็ก็คิดไม่ไม่รู้ว่าการบวชนี่ดีไงก็ยังห่วงแม่ยังอยากจะให้แม่มีความสุขใจอยู่ ตอนที่ไม่รู้ว่าความสุขใจของแม่ความทุกข์ใจของแม่เกิดจากความอยากของแม่คาถามข้อต่อไปจะคุณอัฏฐพล น, นะครับคําถามยาวแต่จะอ่านให้นะครับวันหลังขอสั้นๆหน่อยนะครับ <c oughs> ผมเห็นแล้วว่าความคิดเราคือที่ปรุงแต่งที่มันปรุงมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่จิตพอจับมันได้เวลามา น, นั่งสมาธิเวลาจิตมันปรุงเลยปล่อยเลย เพราะคิดว่ามันไม่ใช่เราเราไม่อยากให้มันหายไปไม่ได้ก็เลยไม่สนใจบังคับให้มันหยุดปรุงสักพักจิตเริ่มนิ่งลมหายใจเริ่มขาดเลยสงสัยถอนออกมาพอถอนลืมตาออกมาเหมือนคนนอนไม่เต็มอิ่มแต่ไม่ได้ง่วงมันอยากจะลงต่อพอหลับตาแป๊บเดียวลมก็ขาดอีกเร็วมากแต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยได้เลยนั่งสมาธิพอจับมันได้ว่าความคิด มันไม่ใช่เราเท่านั้นเลยปล่อยความคิดเลยทำสมาธิได้จิตนิ่งได้ขอคำแนะนาในขั้นต่อไปด้วยครับว่ามาถึงนี่แล้วจะไปทางไหนต่อดีครับเพื่อความก้าวหน้าก็ทาให้มากๆขึ้นทาให้มันสงบมากๆให้มันนิ่งมากๆให้นิ่งบ่อยๆให้นิ่งได้ทั้งวันทั้งคืนให้มันชำนานสามารถนิ่งได้ตลอดเวลาที่ต้องการอยากจะให้มันนิ่งเมื่อไหร่ก็นิ่งได้ แล้วก็ให้มันทำมากๆให้เลิกไปทำอย่างอื่นเสียเอาเวลาทั้งหมดมานำมาทำใจให้มันนิ่งอย่างเดียวถ้าเราสามารถทำความนิ่งจนเรามีความชำนาญแล้วเราค่อยไปออกไปทางปัญญาต่อไปไปศึกษาสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นของเราราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสบุคคลต่างๆนี้ไม่ใช่เป็นของเรา เขาไม่เทียงเดี so <Ừ. sigu S 1> no. to, ๋ยวเขาก็ต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปเวลาจากกันก็จะทุกข์เพราะเราจะไม่เพราะเราจะมีความอยากไม่จากกันนั่นเราก็ต้องมาแก้ที่ความอยากอย่าไปอยากไม่จากกันเพราะอยากไม่จากกันแล้วมันทุกข์อยากไม่อยากมันก็ต้องจากกันอยู่ดีมันก็มีทุกข์มันก็จากกันได้สองแบบจากแบบทุกข์กับจากแบบไม่ทุกข์คนฉลาดก็จะจากแบบไม่ทุกข์คนโง่ก็จะจากแบบทุกข์ คนโง่เพราะไม่มีปัญญาคนมีปัญญาพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าต้องจากกันมันก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้พอถึงเวลาจากกันก็สบายไปเลยห้ามไม่ได้ดึงไม่อยู่จะทํำยังไงใช่ไหมก็ไม่ต้องทุกข์กับอะไรที่เราทุกข์กันเพราะไม่ยอมจากกันเวลาใครไปจากเราทีนี้โอ้เสียดายร้องห่มร้องไห้แล้วเขากลับมาหรือเปล่ปด า, ล า, ดป า, าดึงเขากลับมาได้เปล่าน้ำตาเราดึงต้องกลับมาได้เปล่า มันก็ถึงกลับมาไม่ได้อยู่ดีใครจะไปก็ไปเพราะมันต้องไปนะ่ทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับมีมาก็ต้องมีไปนี่คือปัญญาเราไม่ค่อยคิดครั้งนี้กันไงพอเจอการพลาดพาคจากการก็โหยร้องไห้โฮขึ้นมาเลยโวยวายขึ้นมาเลยพอใครเขาตัดเงินเดือนหน่อยลดเงินเดือนหน่อยก็เดินขบวนประท้วงกันใหญ่เลยขึ้นภาษีหน่อยก็ประท้วงกันใหญ่ เนี่ยมันมันไม่เที่ยงเนี่ยไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดมีดับมีขึ้นมีลงแต่เราจะเอาแต่ขึ้นอย่างเดียวไม่ยอมให้ลงอย่างเงี้ยพอมันลงก็โกรธเสียใจขึ้นมางา น, นเพราะเราไม่มีปัญญาถ้าเรามีปัญญาแล้วเราก็เฉยเฉยคุณแมนนะครับมีความสงสัยว่ามหาสติตามแบบพระอาจารย์เป็นอย่างไรครับ ก็ไม่เผยเลยไตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็ใจไม่ลอยไปที่อื่นนะอยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาเนี่ยตอนนี้อยู่ตรงนี้ก็ไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นนะอยู่กันตรงนี้ตอนนี้อยู่ตรงนี้กันรึเปล่าเดี๋ไปไหนกันบ้างเนี่ยคาถามจากคุณนรินทร์นะครับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์หรือผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิและพระอรหรันต์แนวทางการปฏิบัติ แตกต่างกันอย่างไรครับขอพระอาจารย์ไมตาชีา้ทางเหมือนกันนะ่ยทุกคนก็นมุ่งไปสู่พระนิพพานด้วยกันเองแต่ ว, ว่าต่างกันตรงที่ว่าพระโพธิสัตวนี่บำเพ็ญในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำทางก็เลยต้องคำทางไปเองส่วนพระอาหารหันต์นี่เป็นผู้ที่มีพระพุทธเจ้านำทางก็เดินตามคําสอนของพระพุทธเจ้าไปก็เดินตามมรรคแไปยุคใดที่มีพระพุทธเจ้ายุคนั้นก็จะมีมรรคแก็ง่ายไม่ต้องไปคำทาง เดินไปตามมรรคแปดศีลสมาธิปัญญาเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายปลายทางแต่ยุคที่ไม่มีมรรคแก็ไม่รู้จะไปทางไหนก็คํำกันไปลองผิดลองถูกกันไปยุคนั้นจะช้ามากกว่าจะไปถึงนิพพานได้แต่ยุคที่มีพระพุทธเจ้านี่เร็วมาก7วัน7เดือน7ปีนี่ไปถึงแนละ้วแต่ถ้าเป็นยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าอาจจะเป็น7กับ70กับ700กับกว่าจะไปถึงนิพพานได้ เพราะฉะนันการที่เราได้มาเจอพระพุทธเจ้าได้เจอมรรคแปดนี่นถือว่าเป็นบุญมากเหมือนคนสร้างทางด่วนให้เราขับนทำให้ก่อนไม่มีทางด่วนมาพัทยานี่ใช้เวลาหลายชั่วโมงอันนี้มีทางด่วนขึ้นปุ๊บเดียวก็ถึงแล้วเนมันต่างกันตรงนั้นไม่มีอะไรต่างกันทุกคนมุ่งไปสู่พันธุ์นิพพานทุกคนต้องการจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดทุกคนอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆแต่ไม่รู้จักทางไปถ้าไม่มีคนมาสอน แต่พอมีคนมาสอนมันก็ไปได้ง่ายไปได้เล็เยครั้งแรกสมัยยุคแรกๆที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมนี่เห็นนะเติดกันมาไม่รู้กี่ร้อยอกี่พันปีพอมาฟังธรรมของพระเจ้าปั๊บบรรลุในขณะที่ฟังธรรมกันเลย น, นี่คือความแตกต่างกันระหว่างพระโพธิสัตว์กับพระพระอรหันตสาวกนะ <c oughs> แต่สมัยสมัยนี้เขาเพราว่าเป็นยุคทองนะครับอาจารย์เพราะว่ามีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงไม่ง่ายใช่ยุคทองแต่ไม่ใช่ไม่เป็นกันเลย ชอบใช้เอามาด่ากันมากกว่าอก็อให้ามาปฏิบัติกันไม่ามานั่งด่ากันมาวิาพากษวิจารณ์คนนั่นคนนี้กันมันได้เรื่องอะไรมีอีกคําถามจากคุณสีนะครับจะไม่แน่ใจว่าเขาเล่าหรือเขาถามนะครับสามีและลูกชายไปบวชหมดดิฉันอยู่บ้านคนเดียวปฏิบัติคนเดียวที่บ้านรู้สึกว่าเราแก่ลงทุกวันกําลังลดน้อยลงทุกวัน ไม่ทราบชะตาอนาคตตัวเองเลยเจ้าคะ่ะทำไมไม่ทราบมันก็ความแก่ความเจ็บความตายมันก็รอเราอยู่แค่นั้นนี่แสดงว่าไม่มีไม่มีปัญญาคนที่มีปัญญาเขาจะรู้ว่าเขากาลังเดินเข้าสู่ความแก่ความเจ็บความตายเขาก็ต้องรีบปฏิบัติธรรมเพื่อทำให้ใจเขานี้ไม่ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายคำถามจากคุณพิมนะครับ การที่เราจะตัดบุคคลในครอบครัวที่เรารักออกจากจิตใจไม่คิดห่วงใยทำยังไงเจ้าคะก็คิดว่าเราตายจากเขาไปแล้วเราสมมุติว่าวันนี้เราตายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็เราก็ไม่สามารถที่จะไปติดต่อเขาได้แล้วไม่มีสามารถที่จะไปทำอะไรกับเ้าได้แล้วให้สมมุติว่าเราตายทุกวันแล้วเราก็จะได้ไม่ไปไปกังวลไปอะไรกับเขากังวลก็ทาอะไรไม่ได้ เดีวเมื่เราตายเวลาเราจะกลับมาดูแลเขาได้ไหมคาถามเจ้าคุณนานะครับแม่บางประเภทที่มักจะทวงบุญคุณกับลูกเวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ก็มักจะสาบแช่งลูกจะมีอุบายแนะนําแม่ที่เป็นแบบนี้อย่างไรดีเจ้าคะเอ๋อเป็นลูกไ ป, ไปไปไปบอกแม่ไม่ได้หรอกไปสอนแม่ไม่ได้แม่จะบ่นยังไงก็ทนเอาเถอดคิดว่าเป็นเออเป็น เป็นส่วนหนึ่งของการมาเป็นลูกเขาก็แล้วกันเรามีหน้าที่รำลึกถึงบุญคุณของเขาแล้วพยายามตอบแทนบุญคุณให้กับพ่อแม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จะดีกว่าดีกว่าที่จะมาสั่งสอนพ่อแม่เพราะมันไม่เป็นฐานะของลูกที่ควรจะทําลูกมีหน้าที่ที่จะรับคําสั่งสอนของพ่อแม่แต่ถ้าเป็นคําสั่งสอนที่ไม่ถูกต้องก็ไม่ต้องนํามาไปปฏิบัติเท่านั้นเองแต่ต้องฟังพ่อแม่จะพูดยังไงเรามีหน้าที่ฟังเฉยๆห้ามเถียง ห้ามอวดเก่งห้ามอวดดีกับพ่อกับแม่เพราะถ้าอวดเก่งอวดดีก็ไม่ต้องมาให้พ่อแม่เลี้ยงเลยคำถามจากคุณอานานะครับจะปลดทุกข์อย่างไรที่ต้องอยู่กับคนที่เอาเปรียบเราก็คิดว่าเป็นการใช้กรรมไว้แล้วกันชาติก่อนเราเคยเอาเปรียบเขาชาตินี้ก็เลยต้องให้เขาเอาเปรียบเราใช้กรรมกันไป ยาแต่ได้ไม่ได้หรอกเพราะทุกอย่างมันต้องมีเสียบ้างใช่ไหมยาแต่กําไรไม่ยอมขาดทุนเนี่ยคําถามจะคุณดาเลสนะครับถ้าคู่คร อ, องของเรายังติด ก, กิเลสทางโลกอยู่เราจะให้ข้อมูลทางธรรมมะแก่เขาหรือนิ่งเฉยแล้วเราควรปฏิบัติต่อไปใช่ไหมครับคะ่ะคือเราก็ปฏิบัติของเรากิเลสของเขาไม่สําคัญเท่ากับกิเลสของเรา เรามากาจักกิเลยของเราดีกว่าส่วนกิเลของเขาล้วก็เอาหนังสือท ร, ร ม, มาเอาซีดีทำ ม, มาวางไว้ในบ้านนั่นแหละถ้าันดีคืนดีเขาไม่รู้จอะอ่านอะไรเขาอาจจะไปเปิดอ่านขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าเขาอ่านก็ถือว่าเป็นบุญของเขาถ้าเขาไม่อ่านก็เป็นกรรมของเขาไปคำถามจากคุณกุมจินนะครับ เมื t, ่อทำงานเป็นผู้บริหารแล้วมีปัญหาให้แก้ไขแต่เราก็มีความคิดว่าปล่อยให้เขายุ่งไปก่อนเราอยู่เฉยอุเบกขารักษาศีลปฏิบัติธรรมแต่ผลของความวางเฉยบางทีคนในองค์กรก็ไม่รู้อะไรถูกผิดหรือคนที่ถูกหรือดีก็ถูกหลังแกคนที่ผิดหรือไม่ดีกลับได้รับการส่งเสริมในตำแหน่งที่ดีขึ้นขอคาแนะนาพระอาจารย์ว่าในฐานะคนในองค์กรควรทาอย่างไรดีครับ เราก็ต้องทำหน้าที่ของเราตามตำแหน่งตามฐานะของเราคาถามข้อต่อไปเรื่องในครอบครัวไม่ถามนะครับ <laughs> คำถามจากคุณวิลรลักษ์นะครับที่ฉันทำอาชีพขายของชามีเวลานั่งสมาธิสั้นๆจึงใช้วิธีมีสติกับการเคลื่อนไหวของร่างกายแทนหรือมีสติกับลมหายใจแทนในระหว่างวัน อย่างนี้ทดแทนกันได้ไหมครับได้มันก็ดูที่ผลเวลานั่งสมาธิถ้าสงบได้เร็วก็แสดงว่าสติดีถ้าสงบยากก็แสดงว่าสติไม่ดีก็ต้องไปดูตรงนั้นอีกที่หนึง่งเวลาเรานั่งสมาธิเราจะรู้ว่าสงบง่ายหรือสงบยากถ้าเรามีสติมาทั้งวันนี้มันจะคุมความคิดได้ไว้ได้เวลานั่งมันก็จะไม่คิดมากมันก็จะสงบเร็ว ถ้าเราคุ้มไม่ได้เวลามานั่งมันยังไปคิดถึงเรื่องของที่ขายอยู่มันก็จะไม่สงบคุณเสริมสักสงสัยว่าในสมัยพุทธกาลมีพิธีกรรมขึ้นบ้านใหม่โดยนิบนพักมาทำพิธีไหม่ครับ <c oughs> และตั้งศาลให้พักใหม่ครับอ๋อเราไม่เคยอยู่ในสมัยนั้น <c oughs> เราไม่ <c oughs> ต่อ <c oughs> แต่ถ้าได้ดูจากจากหนังสือธรรมะต่างๆไม่มีแล้ว พ, พิธีกรรมเหล่านั้น แต่มีมีกิจนิมนต์อยู่พระพุทธเจ้าก็รับรับไปฉันที่บ้านของคนนู้นคนนี้แต่ท่านไปไม่ได้สวดกันหรอกท่านไปแล้วฉันเสร็จท่านก็แสดงธรรมพราการสวดนี่มันเป็นเรื่องของพระสวดเพื่อจำคำสอนของพระพุทธเจ้าสวดเพื่อฝึกใจทําใจให้สงบทำสมาธิยังไม่ได้ไปสวดให้ญาติโยมสวดให้ญาติโยมฟังก็ไม่รู้เรื่องก็เลยพูดเป็นภาษาแสดงธรรมอย่างนี้ พระเจ้าเวลาฉันเร็จท่านก็จะแสดงธรรมโปรดญาติอยู่ทีเขานีมตนไปก็เพื่อให้พระพุทธเจ้าได้ไปแสดงธรรมบางทีเขาไม่มีความสามารถที่จะไปหาพระพุทธเจ้าได้ที่ ท, ท่านปรับพมนักอยูอ่ก็เลยนีมตนท่านไปที่บ้านแทนแต่เป้าหมายที่แท้จริงก็ไปโปรดไปแสดงธรรมเป็นหลักพิธีกรรมใน พ, พุทธศาสนาไม่มีในสมัยพระพุทธการ เริ่มมีในระยะหลังก็มีความเชื่อว่าต้องมีพิธีกรรมถึงจะขังจะถวายของทักทีต้งสวดกันต้องกล่าวกันแล้วกล่าวก็หนอีอลังการเอออย่างที่นี่มีไหมเนี่ยเวลาใครมาถวายอะไรก็เอาถอยอยากจะถวายแล้วก็ไปวางไว้เลยก็จบเลยไม่ต้องให้มันรับให้มันเหนื่อยรับไว้ตรงนี้แล้วมันขนไปไว้ตรงนั้นอยู่ดีก็ไปวางไว้ตรงนั้นเลยก็หมดเรื่องมันก็ได้บุญเหมือนกันพอเราให้แล้ว คำถามจะคุณดั่งดวงแก้วนะครับถ้าคนที่ชอบสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจําแต่ผิดศีลข้อสามจะบาปไหมผิดศีลมันก็บาปบุญก็บุญไงมันก็คนละมันคนละเรื่องกันไงทาบุญก็ได้บุญทําบาป ก, ก็ได้บาปแล้วบุญกับบาปสองอันนี้ก็มาลบล้างกันไม่ได้บุญก็ส่งผลบุญไปบาป ก, ก็ส่งผลบาปไปตามตามเวลาของมันคําถามจะคุณวาสนานะครับ บางครั้งถ้าเราโกรธสามีหรือคนในครอบครัวเราที่หนีไปปฏิบัติธรรมเราจะได้ผลแบบไหนคะโกรธสามีเนี่ยโกรธคนในครอบครัวหรือสามีที่หนีไปปฏิบัติธรรมถ้าโกรธมันก็ทําให้เราทุกข์เท่านั้นสิเราต้องไม่โกรธถ้าเราไม่อยากจะทุกข์คุณดอฟฟินสงสัยว่าถือศีลแปดจำเป็นต้องไปวัดไหมคะหรือปฏิบัติที่บ้านได้เหมือนกันได้ถือศีลแปดเนี่ยถือที่ไหนก็ได้เพียงแต่ว่าสถานที่มันทําให้ ยากนึกง่ายถ้าอยู่วัดมันง่ายคนไม่ได้กินข้าวเย็นด้วยกันแต่ถ้าไปอยู่บ้านเราไม่กินข้าวเย็นแต่คนอื่นต้องกินข้าวเย็นเดียวบางทีเขาก็แย่เราชวนเราแเราถ้าสติกําลังไม่พอเดี๋ยวก็สติแตกเดี๋ยวก็สินขาดเนี่ยถ้าอยากจะซื้อสินแปดไปอยู่วัดมันจะรักษาง่ายกว่าอยู่บ้านเนี่ยคนที่มาบวชที่นี่วันนี้ก็กินมื้อเดียวกันได้ทุกคนเ แต่พอศึกกลับไปอยู่บ้านกินมื้อเดียวไม่ได้นะน่ามาอยู่รถก็อ้วนนะหมอเอาลดจริงๆนะคนมาบวชพรรษาหนึ่งลถไปอย่างน้อยสิบกิโลนะมาอยู่วันเนี่ยถามก็ละเวลาศึกรดไปกี่กิโลสิบกิโลาะฉันมื้อเดียวอะ่ะคําถามจากคุณสุทธิพงศ์นะครับผมฝึกนั่งสมาธิโดยวิธีดูลมหายใจเข้าออกนั่งไปนานๆลมหายใจหายแล้วมันไม่มีอะไรให้ยึด ทำให้จิตมันฟุ้งซ่านกว่าตอนที่มีลมถ้าเป็นแบบนี้ต้องปฏิบัติอย่างไรดีครับฟุ้งซ่านก็ใช้พุโทโธแทนก็ได้ถ้าไม่มีลายยึดก็ใช้พุโทโธหรือถ้าใช้ความว่างความไม่มีลมเป็นที่ยึดก็ได้ให้รู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมก็ดูกับอยู่กับความว่างไปอย่าให้มันมีดูว่าดูว่ามันคิดหรือเปล่าถ้าคิดก็หยุดมันเท่านั้นเองอย่าให้มันคิดคําถามจากคุณกุณลธิดานะครับ ถ้าเราเน้นการนั่งสมาธิมากกว่าสวดมนต์ได้ไหมคะและการสวดมนต์จำเป็นต้องสวดท่องจําให้ได้ไหมคะการสวดมนต์ก็เป็นวิธีทําสมาธิแบบหนึ่งซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายกว่าการดูลมหายใจหรือบริกรรมพุโทโธเพราะว่าบางทีใจมันคิดมากมันไม่ยอมอยู่กับลมไม่ยอมอยู่กับพุโทโธแต่ถ้ามันสวดเป็นเรื่องเป็นราวมันก็อยู่ก็เลยบางทีต้องใช้การสวด มวลเป็นการทําใจให้มันสงบลงในอีกระดับหนึ่งก่อนเหมือนขับขับรถเนี่ยบางทีก็ต้องเข้าเกียร์หก่อนถึงจะเข้าเกียร์2ได้บางทีรถมันเบาบางทีเข้าเกียร์2ก็วิ่งได้เลยไม่ต้องเข้าเกียร์หนึ่งก็ได้ใจก็เหมือนกันถ้ามันฟุ้งมากเนี่ยบางทีให้ดูลมให้พุทโธนี่มันไม่ยอมแต่ถ้าสวดแล้วมันอยู่ก็ให้มันสวดไปก่อนสวดจะมัรู้สึกเหนื่อยไม่อยากจะสวดแล้วทีนี้มันก็จะดูลมได้ นันแล้วแล้วแต่จริตของแต่ละคนแล้วแต่สภาพจิตของแต่ละคนว่าต้องใช้แบบไหนถ้าจิตหยามากจิตฟุ้งมากนี่ดูลมไม่อยู่พุทโธไม่อยู่ก็ต้องใช้การสวดมนต์ไปก่อนคำถามจากทาง u t u b e นะครับจากคุณเพชร น, นะครับเวลาเราสวดมนต์ยังสวดผิดบ้างถูกบ้างจะบาปไหมคะมันก็ไม่ดีสวดผิดมันก็อย่าไปสวดดีกว่าเอาสวดเท่าที่เราจำได้ การสวดมนต์นี้ไม่จำเป็นจะต้องสวดบทยาวเหยียดหรอกส่วนบทสั้นๆแต่หลายๆรอบก็ได้พุทธังทำมังสังคังสระนังกระชามนี้ไปเรื่อยๆก็ได้คำถามจากคุณกุมจินนะครับผมรักษาสินแปดในวันพระแต่มีความจำเป็นต้องไปทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารที่ห้างสรรพสินค้าไม่ทราบว่าสิน้าไหมครับไม่ขาดถ้าเราไม่ได้ไ ป, เ, ไปเพื่อไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ถ้าเราไปเพื่อไป ท, ทําธุระของเราเนี่ยก็ไม่บไม่ผิดตรงไหนแต่ถ้าเราไปแล้วแวะไปกินขนมแวะไปดูอะไรต่างๆฟังอะไรต่างๆเนี่ยถึงจะผิดคําถามจากคุณวิจิตตานะครับเวลาพ่อแม่เสียชีวิตเราเผาท่านไปแล้วเอาเท่ากระดูกรอยอังคารไปหมดต่างจากเก็บเท่าไว้ที่เจดีไหมคะหรือว่าแล้วแถ่ายลูกหลาน อ๋อไม่ต่างกันแหะแล้วแต่จะทําอะไรก็ได้สุดแท้แต่ความเหมาะสมของหลวงตาแม่ของหลวงตานี่ยหลวงตาให้อบไปลอยไว้ใต้ทิศขนต้นโพจะบอกไปบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คําถามเจ้าคุณดังดวงแก้วนะครับหนูเปิดทีวีฟังสวดมนต์ทำวัดเช้าอยากให้ท่านเทวดารับบุญท่านจะได้รับไหมคะอ๋อไม่ต้องไปให้เทวดาหรอกให้ตัวเราเถอะบุญ<ม>ที่เราส่วด น, นี่ให้คนอื่นไม่ได้มันต้อง เป็นของเราเพียงอย่างเดียวแตวบดาเขามีบุญมากกับเราแล้วบทสคำถามครับพระอาจารย์มีใครอยากจะถามอะไรไหม mm hmm. ก็ใกล้เวลาพอสมควรนะจะได้คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนนะ mm hmm. ก็ขอให้นาเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิดพิจารณาไปปฏิบัติ